ไปเพพากันตั้งใจตั้งใจให้ดีนับว่าเป็นวาสนานามบุญของเรานะที่เราได้มาปฏิบัติธรรมผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม่าไม่มีลาบ ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะคนเรานี่จะมีความถูกได้ก็เนื่องจากว่าประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจผู้ที่ประพฤติสุจริตได้ก็เพราะอาศัยเป็นผู้ฝึกจิตใจของตนให้ พอใจยินดีในกุศลคุณงามความดีถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ประพฤติสุจริตด้วยกายว่ า, าใจไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าใจมันไม่ชอบกับทางบุญกุศลเช่นนี้ มันก็หมุนไปชอบทางบาปอกุศลใช้กายวาจาทำบาปผูดสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษเรื่อยไปอันนี้ว่าทำชั่วมากกว่าทำดีเพราะใจมันชอบนี้อย่างเช่นชอบดื่มเหล้าเมาสุราอย่างนี้นะคนใดถ้ามันติดเหล้า ติดสินติต่กัญชาไปแล้วไอ้ที่จะหันหน้าเข้ามาสู่วัดวาอารามบำุงวัดวาศาสนานั้นไม่มีมีกันน้อยเต็มทมีคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันหรือว่าคนใดชอบเล่นการพ น, นันจนติดจนเป็น จนมีชื่อว่าเป็นนักเลงเล่นการพนันอะไอย่างนี้มันก็ไม่สนใจทางบุญกุศลคนใดถ้าเป็นคนเจ้าชู้อย่างนี้เป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถ่มากมากไปด้วยความรักความใคร่โมนีก็ไม่สนใจเรื่องศาสนา เพราะว่าจิตใจมันไปผูกพันอยู่ตั้งแต่สิ่งที่ตนรักตนพอใจนั่นเสียเหตุนั้นจึงไม่ได้ฝึกตนไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมะคําสอนของผู้เผยเจ้าผู้ที่มาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของผู้เผยเจ้านี้แสดงว่า ทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากกิจใจพอสมควรจึงมาปฏิบัติตามได้ถ้าหากว่าเป็นธาตุของกิเลสดังกล่าวมานั่นอยู่ย่อมไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติทำได้ดังนั้นแหละเมื่อตอนมีวาสนาส่งให้ ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อย่าให้มันเสื่อมให้ยามรักษาไว้ให้ดีขออยุญากนักางานหนาที่บุคคลจะรักษาบุญกุศลคุณพระรัตนกรอันนี้ไว้ในใจให้มันคงได้ขอเกล็ด ถ้าบุคคลประมาทแล้วนะกิเลสมันครอบงำจิตใจนะมันก็ผลักดันให้จิตใจชอบไปในทางกิเลสดังกล่าวมานั้นเนี่ยมันก็เสื่อมจากการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆไป <c oughs> ดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเข้าใจ บุคคลผู้ที่บำเพ็ญบุญกุศลในขั้นต้นนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ปลูกพืชต่างๆลงในดินเวลาที่มันยังอ่อนอยูเออ่เจ้าของก็ต้องได้เอาใจใส่ประคบปรางม ดูแลถอนหญ้าใสปุ๋ยลดน้ำรักษาให้สัตว์ต่างๆมากินมาเหยียบย่ำต้องรักษากันอยู่นั่นถ้าเป็นไม้ยืนต้นอย่างนี้หากว่ามันจเจริญขึ้นเพียงสีสระหรืออะไรเหล่านี้แล้วก็ยังชั่วหน่อยเนี่ย มันก็ไม่ได้รักษาทีเท่าไหร่นักถ้ามันเจริญใหญ่ขึ้นเป็นต้นใหญ่ขึ้นไปแล้วมันก็การรักษาก็ห่างออกไปพอ ม, มันใหญ่โตมันพึ่งตัวมันได้แล้วไม่รดน้ำมันก็หาน้ำมาเลี้ยงมันได้หาอาหารมาเลี้ยงมันได้อย่างนี้แหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ การที่บุคคลมาบำเพ็ญบุญกุศลในพุทธศาสนานี้ขั้นต้นนั้นศรัทธาปัญญาก็ยังอ่อนโยเพื่อนั้นต้องพยายามทำความเพียรติดต่อกันไปไม่ให้ขาดสายเพื่อพยุงบุญกุศลคุณพระระัตนาไกล ที่ตนเคารพนับถือและตนกระทําบำเพ็ญมานั้นให้มั่นคงอยู่ใน จ, ใจิตใจสม่าเสมอไปเหมือนอย่างบุคคลรักษาพืชไปรำยังอ่อนอยู่นั่นแหละให้เข้าใจที่นี้นเมื่อเราบำเพ็ญบุญกุศลปฏิบัติไป กำจัดกิเลสยังหยาบออกไปโดยลำดับไปไอ้การที่กิเลสอย่างร้ายแรงมันจะมารบกวนจิตใจให้วันไว้ฟุ้งซ่านไปกอกไม่ไม่ไม่ไม่ความีแบบนี้ในใจมันก็ตั้งมั่นอยู่เป็นสนยนมากหมดไม่ค่อยวันไว้ถึงวันไวก็เพียงเล็กน้อยไม่มาก เราก็สามารถประคองคิดอยู่ได้เมื่อปฏิบัติให้สูงขึ้นไปเท่าใดในการรักษาบุญกุศลคุณความดีเหล่านี้มันก็ไม่ยากไม่ลำบากอะไรเพราะว่าศัตรูของบุญของคุณนี่มันกำจัดไปเสียโดยลำดับแล้ว ก็ยังเหลือแต่ศัตรูคือกิเลสส่วนละเอียดบ่อะไรทานองนี้นะมันก็ไม่ได้ออกแรงเท่าไรนักบ่เนี่เหมือนอย่างคนปลูปลูกต้นไม้ยืนต้นอย่างที่ว่านะเมื่อลาต้นมันใหญ่มันโตขึ้นรากมันยังลึกไปแล้วมันก็หาเลี้ยงมันเองถึงไม่ลดน้ามันก็อยู่ได้ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมไปโดยลำดับไปเมื่อบุญกุศลมันมากพอมันมีกำลังพอแล้วเช่นนี้มันก็ทำใจให้หนักแน่นทำใจให้ตั้งมั่นกวดแต่ก่อนมาแต่ก่อนนั้นยังวอกแวกอยู่เพราะบุญกุศลยังไม่มาก ยันเมื่อปฏิบัติไปไม่ประมาทบุญกุศลใดที่ทำมาแล้วแต่ค น, นก็รักษาได้ไม่เสื่อมรักษามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันก็ยังปรากฏว่าบุญคุณนั้นมั่นคงอยู่ในจิตใจของตนเช่นนี้นะมันก็ได้รับความสบาย ขึ้นมาโดยลำดับจิตใจนี่นะเพราะว่าตนสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นแล้วเป็นธรรมดาจิตใจนี่ถ้าบุญกุศลมากขึ้นบาปอากุศลมันก็ลดน้อยถอยลงมันจะอยู่ร่วมกันไปได้ไปตลอดไปไม่ได้เลย ถ้าฝ่ายหนึ่งเจริญขึ้นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสื่อมไปถท่าคนสะสมบาปให้มากมากขึ้นไวในใจแล้วหมุนมันก็ถอยไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจในชีวิตของคนธรรมดาสามัญ น, นี่นะ มันมีบุญและบาปเป็นคู่ขนานกันมาแต่ในอดีตชาติาหลังนูน่นจนมาถึงปัจจุบันนี้บุญและบาปก็ยังติดตามมาอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> ทีนี้เมื่อบุคคลมาได้สดับคําสอนของพระเทเจ้าแล้วรู้ว่าบาปนั้นมันเป็นสิ่ง มันเป็นศัตรูต่อชีวิตนำความทุกข์มาให้แก่ชีวิตอย่างนี้รู้ว่าบุญเป็นมิตรที่ดีกับชีวิต จ, จิตใจถ้าสั่งสมบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วบุญกุศลก็อำนวยผลให้มีความสุขความสบายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ ล, ลังรอเลยมันก็ขจัดบาปออกไป ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกคนไม่ต้องการความทุกข์ต้องการแต่ความสุขเท่านั้นดังนั้นเมื่อรู้ว่าสิ่งใดก่อให้เกิดทุกข์แล้วจะไม่เก็บมันไว้ในใจสละมันออกไปถ้าสละทีเดียวมันไม่หมดก็เพียนพยายามสละไปเรื่อยๆ โดยอาศัยสติสัมปจั ญ, ญาณนี่แหละเป็นเครื่องกำหนดรู้กิเลสบาประธรรมต่างๆเมื่อมันสงบอยู่ภายในมันก็มองไม่เห็นไม่เห็นว่ามันมีกิเลสชนิดนั้นอยู่ต่อเมื่อมันเผลอสติเมื่อใดกิเลสเหล่านั้นมัน ลุกขึ้นมามันแสดงอาการออกมามันจึงรู้ไหนเนี่ยเมื่อรู้ว่าจิตนี้มันยังยึงยดกิเลสเหล่านี้ไว้อยู่ฉะ น, นี้ก็กาหนดละมันไม่ส่งเสริมมันให้มันลุกลามต่อไปกำหนดพิจารณาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรยั่งยืนยิ่งส่วนที่เป็นบาปเป็นโทษทั้งๆเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเหมือนกันแต่ว่าจิตไปยึดเอามันไว้มันก็มีอยู่นั่นนะ่ะเชื่อมันนะ่ะถ้าจิตไม่ยึดเอาแล้วเชื่อมันนะ่ะก็ค่อยหมดไปหมดไปมันเป็นไง เพราะฉะนั้นจึงว่ากาหนดละก็ในขณะที่มันเผลอมันเกิดขึ้นนั่นแหละ่าปรธรรมมันเกิดขึ้นในใจเวลาใดกำหนดละเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นความโกรธอย่างนี้นะเมื่อเราระวังรักษาจิตไปเรื่อยๆมันก็ไม่ค่อยโกรธแต่ถ้าเวลามันเผลอมีเรื่องไม่ดีกระทบเข้ามา มันโกรธขึ้นมาอย่างนี้รู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไม่ให้มันโกรธมากไปกว่านั้นไม่ส่งเสริมมันกำหนดใจละมันไม่พุงไม่แต่งมันมันก็เบาลงเบาลงในสุดมันก็ระงับไปอย่างนี้เราเรียกว่าเราไม่สะสม กิเลสบาปธรรมอันหยาบช้าลามมกไย้ในใจิตใจแต่คนส่วนมากไว้เป็นอย่างว่านี่นี่มันลืมตัวตนโกรธอยู่ก็ไม่รู้ตัวก็โกรธไปเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยนั่นแสดง ว, ว่ามันลืมตัวแล้ว นึกถึงโทษแห่งความโกรธนี่ไม่ได้เหตุฉะนั้นคนเรามันถึงละ ก, กิเลสไม่ได้ก็เพราะเหตุมันไม่รู้สึกตัวนี่เองเนี่ยไม่รู้สึกตัวอันเป็นอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนี่กิเลสมันเกิดขึ้นในใจอย่างไรมันก็ไม่รู้หมายเขาว่าอย่างนั้นดังนั้นกิเลสมันจึงหนาขึ้นในใจ ถึงละมันไม่ได้ไอผู้ที่จะละกิเลสบาปธรรมได้มันต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวคอยระมัดรวังอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยมันเผลอกิเลสมันเกิดขึ้นมานี่นะเราก็กำหนดละมันไปอย่างนี้นะ เมื่อเรารู้ตัวมันแล้วเรากาหนดละมันมันเกิดไม่เหลือวิสัยเพราะว่าใจไม่ชอบกับกิเลสอยู่แล้วดังนั้นเมื่อกาหนดละมันมันก็ดับไปสิใจไม่รับเอาไว้อเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสาคัญที่จิตดวงเดียวนี่แหละมันยึดถือเอาไว้มันถึงมีได้ถ้าจิตไม่ยึดถือแล้วก็มีไม่ได้ เพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยการทําความเพียรละกิเลตนี่เนะี่ยไม่เหลือวิสัยบุคคลสามารถที่จะทําความเพียรละมันได้เพราะว่าแต่อย่างอื่นเรายังภาคเพียรทํามันให้มันเกิดมันมีขึ้นมาได้ เช่นอย่างการทำนาทำสวนสร้างบ้านสร้างเรือนอะไรพวกนี้นะมันต้องอาศัยความอดความเพียรทั้งนั้นทั้งสติปัญญาประกอบเข้าไปหลายอย่างก็จึงสามารถสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นหลังอยู่ได้ถ้าคนใดนะั้นไม่มีความอดไม่มีความเพียร ขาดสติขาดปัญญาแล้วก็สร้างบ้านเรือนจนนี่อยู่อาศัยของตนให้หรูหรามั่นคงไม่ได้ก็จะได้อยู่ตั้งแต่เรือนกระท่อมมุงด้วยหญ้าคาเสาไม่ไั่ไปอย่างนั้นเนี่ยมเมื่อเมื่อเรานึกถึงการกระทำภายนอกนั่นมาเป็นเครื่องสนับสนุน การทําความเพียรอย่างนี้มันก็เป็นไปได้เป็นกําลังใจได้เหมือนกันเมื่อเมื่อนึกถึงการงานภายนอกยังสามารถทําได้พ้นตกก็สู้ได้แดดออกก็สู้เนี่ย อ, อย่างนี้เมื่อเวลามาทําความเพียรละกิเลสตัณหาบาปธรรมออกจากจิตใจนี่ทําไมจะทําไม่ได้ อันนี้มันยิ่งเป็นการงานที่สำคัญ่ะแล้วเป็นการงานที่มีผลดีต่อตัวของตัวเองมากมายเพราะว่าเมื่อบุคคลใดมาละกิเลสบาปธรรมให้หมดไปเท่าไหรผู้นั้นก็มีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นความทุกข์ใจไม่ค่อยมีนี่อย่างนี้แหละมัน ผู้ผู้ที่มองเห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมการละกิเลสอย่างนี้มันจึงไม่โทษหอยนั่น่ยมองเห็นผลแล้วนี่เท่าที่ปฏิบัติมามันก็ได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ว่ามันยังไม่หมดละกิเลสบาปบธรรมนี่ก็ต้องเพียรพยายามเรื่อยไป เมื่อเราเพียรไปเท่าไรกิเลสมันก็เบาวกว้ า, างไปเท่านั้นหากว่าเราไม่สะสมมันมันต่อไปอีกนะ่ะเพียรพยายามละกิเลสอันที่มีอยู่แต่เก่าแล้วนี่ให้มันเบาบางไปแล้วก็ไม่สร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกเช่นนี้มันจะทนอยู่ได้หรือกิเลสอ่ะเหมือนอย่างบุคคล ตัดต้นไม้ทีแรกก็ตัดกิ่งมันลงก่อนเมื่อเห็นว่าตัดกิ่งมาแล้วมันก็ยังแตกยอดออกมอาอยู่อ้าวก็ตัดโคนของมันตัดตัดต้นมันลงอย่างนี้แหละต้องตัดลงมาเป็นตอนเป็นตอน เมื่อรากมันยังมีมีอยู่มันก็แตกหน่อขึ้นมา อ, อีกอานนี้ก็ใช้ขวานใช้จอบอะไรตัดรากของมันไปโดยลำดับไปอย่างนี้นะียเหมือนไม้ต้นนั้นมันมตัดรากมันจะแล้วไม่ได้ดูดอาหารไปเลี้ยงมันก็ตายเท่านั้นเองอันนี้อันนี้ฉันใจ เราทำความเพียรละกิเลสก็ให้อย่างบำเพ็ญไปเหมือนอย่างอุปมาตัดต้นไม้ น, นั่นแหละไม้ใหญ่เราจะตัดทีเดียวมไม่ได้ต้องค่อยตัดก้านลานกิ่งมันลงไปฉันใดกิเลสก็เหมือนกันมันสร้างรกรากอะไรอยู่ในจิตใจนี่มานับชาตินับพบไม่ทวนแล้ว ดังนั้นเราจะมาเพียนละให้มันหมดไวๆ้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะมันต้นนักสร้างมันมานี่ตั้งนมนานกาเลแล้วนะเมื่อมารู้ตัวแล้วเมื่อใดเราก็เพียนตัดก้านลานกิ่งมันออกไปทีละน้อยละน้อยไปเมื่อเราเพียนไม่ท้อไม่ถอยอกิเลสมันก็ค่อยเบาไปเบาไปนหะเราละมันอยู่เรื่อยไปเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นลัความรักความชังภายนอกได้แล้วก็มารักความรักความชังภายในมารักร่างกายสังขารอันนี้ ห, ห่วงแหนอยู่หรือว่าเกลียดชังร่างกายอันนี้เมื่อเวลาเจ็บใครได้ป่วยลง เจ็บปวดอย่างแรงว่าโอ้อยากตายเน่เพราะว่าทำไมนานตายแล้วเกินอย่างนี้นะก็แสดงว่ามันเกลียดชังต่อร่างกายอันนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่หนทางอีกไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์จิตใจมันเอียงไปอย่างนั้นนะไอ้ที่มันจะพ้นทุกข์ได้ ก็เพราะว่ามันละความรักความชังในร่างกายนี้เสียเวลาร่างกายอันนี้เป็นปกติดีอยู่อย่างนี้ก็ไม่รักไม่หวงเห็นมันเพราะมันมีแต่สภาวธรรมไม่ใช่ตัวตนของเราอะไรแต่ว่าเมื่อตอนยังสร้างบุญกุศลไม่เต็มก็ต้องมาเกิดอาศัย พลาดขันอันนี้แหละเพื่อสร้างบุญบา ร, รมีเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะเป็นของตนจริงจังไม่ไม่ใช่ก็เมื่อจิตใจมารู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวงร่างกายอันนีนะ้เมื่อมันมีกำลังวางชาดีกดเร่งรีบเร่งทำความดีเข้าไป พอมันเวลามันชุดสมหนักเข้าไปแล้วมันทำไม่ได้ผู้มีปัญญาผู้ไม่ประมาทต้องเป็นอย่างนั้นแหละบางผู้ประมาทแล้วจนมีกำลังวางชาดีผักเกียรกคลานทาความเพียรทำอะไรหน่อยหนึ่งก็ว่าแต่เน็ตแตเหนื่อยอย่างนี้มันก็บุญกุศลมันก็ไม่เจริญง้อ ง, งามขึ้นได้ มากพอสมควรทำบุญก็ได้บุญแต่น้อยนั้นเองเนี่ยคนเกียดคร้านมันเปน็นยาง้งแล้วเวลาร่างกายอันนี้มันสมรุ้สุดทมไปมันเจ็บมันปวดก็อดก็ทนเอาไม่สาบไม่แช่งอยากตายก็ไม่ว่าไม่อยากตายก็ไม่ว่า พอถึงจะอยากอย่างไรถ้าไม่ไม่ถึงคลาวมันจะตายมันก็ไม่ตายไม่แตกหอกร่างกายอันนี้ถ้าถึงคลาวมันจะแตกกระดับแล้วอถึงว่าไม่สาบไม่แช่งมันก็แตกดับไปมันก็ต้องรู้อย่างนี้พอรู้อย่างนี้แล้วมันก็ต้องอดทนเน่ย เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงคนที่ไม่ได้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นมันก็หลงรักสงชังร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นแหละจิตใจไม่เป็นกลางไม่เป็นมัตสิมาปฏิปทา มันก็ไม่เป็นทางพ้นทุกทองให้เข้าใจเรื่อนการนี้มันจะพ้นทุก์ได้มันต้องทำใจให้อยู่ระหว่างกลางแห่งความรักและความชังรักก็ไม่รักชังก็ไม่ชังเราต้องปรับปรุงใจให้มันเป็นไปตามทํานองนี้ มันหนึ่งกับพ้นทุกข์ได้อย่างพวกฤาษีบำเพ็ญฌานท่านกล่าวไว้ในตำราเมื่อเพ่งดูรูปอันนี้แล้วเบื่อหน่ายรูปอันนี้อยากพ้นจากรูปอันนี้เพราะว่ามันไม่เที่ยง ม, มันเป็นทุกข์เกิบเพ่ง เพื่อให้รูปอั น, นี้มันหมดไปอย่างนี้แหละเมื่อเพ่งเข้าไม่ท่อไม่ถอยรู ป, ปรสัญญานก็ดับไปจริงนะแต่มันก็ไปติดอยู่ในอรู ป, ปรสัญญาบันี้สัญญาความไหวว่าไม่มีรูปไม่มีอะไรนั่นแหละก็เลยสําคัญว่านั้นแหละเป็น ที่ดับทุกเป็นที่พ้นจากทุกข ก, ก็ไปสงบอยู่ตั้งแต่สัญญาความจำไม้ว่าไม่มีอะไร ว, ว่างไปสงบอยู่แต่อย่างนั้นที่แท้แล้วก็จิตใจไปติดอยู่อรูปธรรม ทำที่ไม่มีรูปแต่แก่สัญญาความจำหมายต่างๆได้แก่วิญญาณความรู้ไป ต, ติดอยู่วิญญาณความรู้ก็เช่นเดียวกันก็ถึงพระนิพพานไม่ได้นี่ดังนั้นมันต้อง บำเพ็ญเพียรเป็นลำดับไปผู้ประพฤตริรมเมื่อเมื่อเพ่งลงไปจนถึงว่ารู ป, ปรสัญญาดับไปความหมายในรูปต่างๆดับไปจิตใจก็อยู่กับนามธรรมก็ไปรู้เท่านามธรรมรู้เท่าแสงสว่าง รู้เท่าความรู้ต่างๆนั้นอีกทีหนึ่งนแสงสว่างก็ดีวิญญาณความรู้ต่างก็ร่ว่แต่เป็นของไม่เที่ยงอันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็ทำความรู้เท่านามธรรมาอันนั้นอยู่ไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขา ใช้วิจารณญาณปัญญาพินิษฐพิจารณาเมื่อปัญญาพิจารณาสอนจิตว่าสัญญาอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่ควรยึดถือความรู้ก็ไม่ควรยึดถือมันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรของมุนีปัญญาน้นแบบฟอกจิตเข้าไปอยู่เรื่อยๆไป นั่นแสดงว่าจิตก็ไม่ติดอยู่ในานามธรรมอบบนี้นั่นี่มันถึงจะเป็นทางพ้นทุกข์บรรลุถึงพรนิพพานได้ให้พึงพากันเข้าใจความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันลึกเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้ผู้มีศรัทธาปัญญาแรงกล้าแล้ว กรพยายามบำเพ็ญทางกิจใจนี้ให้เป็นไปดังที่พันณนาให้ฟังมานีออ้หวังว่าคงจะเป็นหนทางคนทุกคนยัย